21. พระธรรมาเถรีภิกษุณีผู้บรรลุ ธ, ธรรมพระความชราชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีเจริญวัยแล้วไปสู่เรือนสามีที่สมควรกันต่อมาได้มีศรัทธาในศาสนาของพระพุทธเจ้าประสงค์จะบวชแต่สามีไม่อนุญาตภายหลังเมื่อสามีตายแล้วนางได้บวชเจริญวิปัสสนาอยู่เนือง วันหนึ่งเที่ยวบินทบาทแล้วกำลังเดินมาที่วิหารเกิดหกล้มลงจึงทำให้เรื่องนั้นแหละเป็นอารมณ์เจริญวิปัสนากำหนดในทุกทางกายจนบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายท่านได้กล่าวคาถานี้เป็นอุทานว่าเราทุพพลภาพมีกายสั่นเทาถือไม้เท้าเที่ยวบินทบาทได้ล้มลงบนแผ่นดินตรงนั้นเอง ครั้งนั้นจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะเห็นโทษในกายท่านว่าพระเถรีใช้ไม้เท้าค้ำยันกายไปบินทบาทได้เกิดลม้มลงเพราะเท้าไม่มีกำลังท่านจึงกำหนดโทษในกายด้วยวิปัสสนาปัญญาไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนแจ้งพระอรหัตได้ พุทธศาสนาสุภาษิตตัดสาเมอหุสังเวโคนิสินนายะวิหารเกอัมมะคัปฏิปันนำหิตันหายะวัสมาคตาอัปกังชีวิตตังไมหังชราพยาธิจะมัทธติปุรายังพิจติกายโยนเมกาโลปมัาชิตุง เมื่อเรานั้นนั่งในที่อยู่ได้เกิดความสังเวชว่าเราเดินทางผิดเสียแล้วตกอยู่ในอำนาจของตันหาชีวิตของเราน้อยชราและพยาธิยั่งยืนร่างกายนี้จะแตกสลายไปเสียก่อนไม่ใช่เวลาที่เราจะประมาท